ต่เลไม่เหินด้วยน้าบันดิบไม่เหินด้วยคัะ่ะแล้วเราจินข้าดจินตัวกวันต่อตอามช่าตานแที่ยรยานเย็นแารอากาศทาากายอ้วนใหญ่เหมือนไก่หมูซึ่งกาตัว์ช่างขายบอกในข้า คนอ่วนใหญ่ได้ทงหมดราคาอาเทศมามาินอาหารให่อาหารทางจิตใจไปรำฮะสองรูปเสริมความอลุกญาเหมืนอารียมัชเหมือนนมเป็นนมอมารียมัชดูตรงไปจติมเราไปดูเธอไปจะเดินเติดโตในจิตวิญญา้ า, ารองเ่อไปขอ ขาดแคลนเกิดโลกโลกขรม า, ารย์เขาขาดแคลนทรรม้ไม่สบายับตขาดสารตวคามนีน่ส่วแล้วไปปลดแล้ ว, วความชนของจิตวิญญาณทำให้เกิดทุกข์เกิดความโกรความโกรความร้องความริตกของโลน ปจิตใจไม่กาดแคนไม่นีหรอกโรคพวกนั้นรักษาหายหายโรคขังกองทุกขกองโกรธโผโลกองหลงโผลตกโงรักษาหายโรคของกายหายตรงนี้ไหมหายตรงนี้บางอย่างต้องรักษาอะไบางอย่างต้องกันเทบางอย่างก็ละ ให้สุภูรีไหวชินเล่าใติดของเสดติดเสียระเนี่ยละทิจารณาแล้วละทิจารณาแล้วเว้นพิจารณาแล้วปันเทาพิจารณาแล้วโมริโคแต่ว่าจิตใจเรานี่ยอย่ให้ขาดแคลนทำของรู้สึกความเลือดตั เป็นคู่ชีวิตไปไหนอย่าไปคนเดียวในผู่ฟ้องไปกับความรู้สึกตัวในความรู้สึกตั ว, วอยู่เป็นคู่ชีวิตเป็นคู่ชีวิตที่เป็นอวตารเป็นชีวิตที่ไม่ตายเป็นชีวิตที่ไม่มีเกิดแก่เก็บตายความรู้สึกตัวตพัฒนหนาจนถึงเป็นมักเป็นฝนละ วันในวันเกิดแก่เจ็บตายในผู้มีสติสมมูรณ์ผู้มีสติต่อเนื่องผู้มีสติเปงหน้ารอกเราไม่ต้องมาเลยสงสัยพยายามผ่าเปลี่ยนช่างลงไปไปใจเห็นอะไรมากไปเห็นความหลงเห็นความผิดเห็นความทุกข์มาเข้าแถวให้เราดูเราก็ดูตะกัว่วๆไปดูแล้วดูแล้วเห็นแล้ว เห็นอะไรก็ฉเฉลยได้เห็นความรู้สึกตัวเป็นเต่าเห็นโลกก็ทังเห็นนามธรรมเาห็นมันเป็นธรรมชาติเป็นอาการอย่างไรธรรมชาติของโลกอากมณของโลกความร้อดความหนาวเป็นอาการของโลกความปวดความเมื่อยเป็นอ า, า อ, อ, าอาการของโลกอากอรอยากอาการของโลกส่วนเป็น มีอยู่กับลูกลูกมีแสงอาทิตย์ก็มีความร้อนมีละอองฝนก็มีลมก็มีความหนาวมันเป็นธรรมชาติของเขาในโลกชีวิตของเกี่ยวข้องกับวัตถุอาการมากมายความร้อดในความหนาวในอะไรเยอะแยะเห็นก็ตัวหนึ่งตัวตอบกันไม้ใช่ไหมตอบได้ทั้งหมด บางอย่างก็ปล่อยประวงตางอย่างก็รับผิดชอ บ, บาการเลื่จะปล่อยจะวางคือเหมือนหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นอารมเหมือนทุกอย่างในโลก้เราปล่อยวางแตราไยดไปถือก็เหมือไล่ตามทุกอย่างก็ึปลความยินดีนนดความทบทบย็นด้าวันที่เจอความเป็นผลกระทบต่อเราแต่วามยินดีอะไรเย็นร่าก็จะต้องเป็นผลกระท บ, ทบ ถ้าเราเห็นร่างก็เจริญร่างก็เป็นผลกระทบถ้าปลอล่อยวางวางก็หนึ่งเดียวในโลกที่เราจะเป็นหนังเป็นหนังชีวิตหนึ่งเดียวคือความไม่เห็นอื่นความไม่เปลี่ยนแปลงของเส้นของวัตของรู้สืบตัวทให้ลงตัวเป็นหนึ่งเดียวแต่มาทราบแค่นี้ ความรู้สึกตัวผู้เรานั่งอยู่นี่ก็เป็นคนคนเดียวครับแต่ถ้าเราหลงก็เป็นคนหลายคนไปเสียแล้วธรราเป็นสัจจเป็นสัจธรรมเป็นความถูกต้องเป็นความลงตัวเย่างเราไปเห็นโลกเห็นนามโลกนามก็จะบอกเรามันก็เปิดต่อมาให้เราดูว่าเราเปิดบ้านได้อะไรที่มีอยู่ในบ้าน บางอย่างสิ่งที่มันลองแปมันหนีออกไปเต็มเปิดบ้านได้พวกงูพวกหนูอะไรที่มันซสบส่อนอยู่นะมันก็โดดทีไปแต่บางอย่ากมันเป็นของที่มันประโยชน์ต่บ้านได้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของบากมันก็อยู่สิ่งไดที่มันเป็นอาศัหมกอยู่มันก็หนีไป ถ้เรามีเสถียถ้าเป็นเจ้าของเของโลกของโขดของหลงของพวกเนี่ยไม่อยู่เพราะไม่ใช่ของที่มัอยู่ในบ้านมันเป็นของที่จอนมาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเราก็เห็นมายาสาไัยของมันมันก็มันก็เห็นเราหนานันโจรแล้วก็อายเจ้าของมันม่ผ้ารับต่อหน้ามันก็ให้ไอยดื้อได้ มันเราหรือมันเราไปเจอต้นไม้ที่กินได้บางโลกก็พอขยับนิดหน่อยก็หลวนลงอะแต่บางโลกก็ต้องสอยต้องเหี้ยวออกลงมาแต่บางโลกก็เหมือดตัวแห้งติดต้นติดจริงแบบทุกบางอย่าองที่มีอยู่ในชีวิตเราเหมือนกับเราเมือนกับโลกบ้างบางอย่างก็หล่นนะ ควาะเลยสงสัยพอโ ง, ง่หลงออกมาหล่นนะไม่โง่เหมือนมาก่อนเปลี่ยแปลงแปบางอย่างก็สองวันสวันลุกต่อไปอานะการต่างๆที่อยู่ในรูปนานบางอย่างก็เป็นของที่ใช้ได้ก็ อ, อยู่ต่อไปเป็นความรู้สึกตัวศีล ส, สมาธิปัญญา เมื่อสิ้นอยู่ในที่ใดเมื่อสมาธิอยู่ในที่ใดปัญญายอยู่ในที่ใดเกิดความเป็นคเกิดความชอบถัเกิดเมกาเกดสอบจาตัวผูส้สจะทาสิ้นใดจะคิดอย่างไดป ร, ระกอบด้วยเมตตาป ร, ระกอบด้วยความคาสนาดีประกอบด้วยการรับผิดชอบที่จะอนุเคะเพื่อภูมเราเรียกว่าความรักเนี่ยความรักเนี่ยรอเรือไม่หันกอไ่ ตัวเดียวกันเสียงเดียวกันแต่ความรักเท่การทนัดดีประกอบไปด้วยเมตตาชิดช่วยเหลือชิดจากจะสงเคราะห์น้องก็แหลเป็นความรักที่เมตไตรแต่ความรักต่างๆมันหนงสาวรักกันความรักอันนี้อาจจะเป็นสตูปอริสเพราะมันเปลียดเปลี่นมาเป็นดีสิ่งที่ผิดเปี่ยนมาเป็นสิ่งที่ถูกถ้าเรามีความรู้สึกตวัว มันพัฒนาวัฒนะะะมให้ดีขึ้นาเราจะมาฝุดขัดทาไมฝึกมันไม่เป็นแล้วก็จะเกิดการเห็นธรรมดาการดูม่ต้องเกิดการเห็นเห็นแล้วมันก็ไปเป็นการเห็นแล้วก็ไปเป็นไม่ใช่ลักษณะของการเห็นทุกอย่างถ้เป็นผู้เห็นแล้วใช่ได้แต่ถ้า ทุกอย่างถ้าเห็นแล้วก็ไปเป็นไม่ใช่ไม่ได้ถ้าเห็นแล้วดูความหลุหดพ้นก็นไปอยู่ในภาวะที่เห็นนะั้นเห็นโลกปัญหาเรื่องที่เกิดอยู่กับโลกไม่มนไม่ได้เกิดความฉลาดเป็นปัญญาไม่ทำโทษทำที่ทำไปกลายมาเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เกิดปัญญาเกิดยามอย่างลูกเกิดเห็นความไม่เที่ยบกลายเป็นปัญญา ความทุกข์กลายเป็นปัญญาเห็นความไม่ใช่ตัวตนกลายเป็นปัญญาแต่ถ้าบุตรทุกข์มนเห็นคามไม่เที่ยงเสียใจเศร้าโศกแต่ความเป็นทุกข์เศร้าโศกเป็นความไม่ใช่ตัวตนเศร้าโศกคือตกความโกรธเศร้าหงุดหงิดมันก็ต่างกันถ้าเราเห็นของจริงของจริงมันบอกความไม่เที่ยงก็จริงแบบความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็จริงแบบความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนก็จริงแบบความไม่ใช่ตัวตน ถ้าเราเห็นแจ้งในสามอย่างเนี่ยเียงไปสู่มรดสู่ผลได้เช่นกันเห็นจริงเราเนี่ยแบบเป็นทางดําเนินไปสูมม่มรดเพราะมันมีอยู่จริงความไม่เที่ยงในลูกมีอยู่จริงที่เป็นสมมติที่เป็นบัญญัติความไม่เที่ยงในลูกความหมาเที่ยงในหนาเข้ความโผก็เรื่องความไม่ยเที่ยงอยู่ในหนาความรอดความน้เป็นความไม่ยเที่ยงในลู ก, กควา ม, มา แต่เสล็ดกายจากธรรมชาติแมันก็เป็นตัวไม่เที่ยงของเขาบถ้าเห็นยิงๆเห็นของสาบหยาดเจริญในไตลักเนยะมันเกิดเป็นถังขยะเอาไปทิ้งลงได้เอาความโกรธไปทิ้งลงได้เอาความทุกข์ไปทิ้งลงได้เอาความวิตกกังวลเส้นสมองไปทิ้งลงได้ทิ้งลงในตัวไม่เที่ยงทิ้งลงในความเป็นทุกข์ทิ้งลงในตัวไม่ใช่กุศลไม่มีขยะในมรรมชาติเดี๋ยวเรื่เราไม่มีที่ทิ้ง ความโกรธกำลังเป็นหายักในใจเป็นรอยรอยรักรอยแคนรอยโูกรอยทุกข์รอยได้รอยเสียเพราะไม่มีที่ที่ยังเป็นแผลยังเป็นเรี่ยงเป็นร่องรอยอยู่ร่องรอยของความรักร่องรอยของความได้ความเสียใีวิตที่มีมีแผลมีมีร่องรอยต้องซ่อมลบมันล่าง ลอยลากก็ลบไปถ้าเอาไปทิ้งลอยลากเนี่เป็นทังขยะของชีวิตก็ถ้าจะเดินอยู่ตรงนี้หรอสิวิทย์ไม่มีขยะเพราะฉะนั้นังขยะมันน่าบ้าเองลงไปแล้วเราจะเรื่อยๆเป็นทุกความทุกันจริงไหมเอาไปทิ้งลงควไมไเที่ยงกทุกขวามทุกกี่ขั้กี่หนทุกเรื่องเดียวกี่ขั้งกี่หนเราไปเรื่อยทิ้ง จนความทุกขามันอิ่ตัวว่เยืดต่อชีวิตเราก็เลยเป็นล่องเป็นลอกเก็บปวดปวดเล่าต่เราไปเที่ยงเราถ้าเห็นใจรักตามตรมจริงอยู่ในลูกอยู่ในน้ำพอเห็นลูกเห็นน้ำก็มักจะเห็นใจรักันทุกคนก็ไม่เที่ยงแห่งลูกพอไม่เที่ยงแห่งน้าเที่ยงของโกรธเปนไปพรไม่เที่ยงในคอนไปเยืดเตียเราไปยืไปรับวางไว้ไป มันไม่ใช่ตัวชตนต้นของโขดมันไม่ใช่ตัวชนต้นแต่เรามองมอย่างนี้มัน ก, ก็อยู่เลนละตรงนี้ว่าจะต้องบอกต่อความไม่เที่ยงกอบอกก่อนความเป็นทุกข์บากขอบอกก่อนความไม่ใช่ตัวตนมราก็บอกก่อนเก็จะหลักหลักก็ห็นสิ่เหล่านี้ที่มีอยู่ในรูปที่มีอยู่ในหน้าเราก็เลืจากเลือกสิ่งเราต้อกันหลอกเรามาได้ เห็นสมมติสมมติก็จริงแบบสมมุติเป็นคําพูดในโลกไม่เต็มไปด้วยสมมุติใช่สมมุติกั น, อ ย, น, น, ก น, มมนอย่างกาว็วง่อพระสงฆ์อย่าสมมุติกันพระสมฆ์อย่างฆราวาที่อาจโจงยังไม่สมมุติพอจะว่าเป็นสมมุติแบบธรรมดาก็จริงแบบสมมุติไม่ใช่จริงแบบฆราวาส ถ้าเจียงแบบปรมัดเจีนงความเป็นพระความเป็นพระอะไรเจียงแบบสมมติเจียงแบบปรมัดเจียงแบบปรมัดจะอยู่ทุกชีวิตเป็นพระได้ใจดีเมื่อใดไม่ได้เล no. no no ือกเพศคนใจดีไม่อยู่ในเพศไม่อยู่ในรวยไม่อยู่ในชาตไม่อยู่ในปฏิทิศแต่คนใจดีเป็นปรมัตดไม่เกี่ยวกับเทศ โบราจังหวใจร่าเป็นีใจดีเป็นพระความเป็นพระเหนื้อสมมุติเท่าถึงประมาทแต่เปิดสริวิตที่เปิดสแต่ถ้าเป็นพาะแบบหลงข้อเนี่ยเป็นเป็นสมมุติใจดีเข้าไปก็เรียกว่าพระเรียงชาพระญาตจนที่ลงกางเก็งขาสั้นขายาวเสื้อขาวเสื้อดำเสื้อเขียวเป็นพระเล้ยบุคคลได้มีเท่ากัสตวาเป็นพระเป็นได้เหมืก เป็นได้ทางสติปัญญาเกี่ยวกับจิตใจของเราตอนี้มันไม่ใช่สมมุติเป็นธรรมะเราก็รู้รู้ที่ป็นเป็นสมมุตริรู้ี่มันเป็นธรรมริที่เป็นสัจจะคำพูดคำจารเรสมมุติใช่หาัสลาหลังนี้เราก็สมมติว่าเป็นสลาหอใจเราก็สมมุติให้แต่สลามันไม่เป็นอะไรสำหับเร มันไม่เป็นอะไรมันก็เป็นของเขาอย่างของนี่ชอบอย่างของนี่ไม่ชอบพราะถูกสมมุติเราเราก็ชอบแบบนี้เราไม่ชอบแบบนี้สิ่งที่เราชอบมันก็ว่ า, วามันไม่ดีมันไม่ได้ไม่ดีมันก็ไม่ได้ดีมันก็เป็นอยู่ของเขาจากธรรมชาติยิ่งพอเราไปสมมติออกฉังเป็นอารมณ์พอตายเห็นโลกไม่มีสติเข้าไปถึงสมมุติไปถึงวัฏจักรก็ถึงของหลกยินดียินล้าอยยังไย ใายโลกไปไกลไปถึงความยินดียินร่าเป็นสมมุติสมมุติลองรับไปว่าสมมติเราพอใจยินดียินร่าเกิด อ, <c oughs> อะไรตอบไปอะไรอยากเมื่อเรามามีสติเราเห็นสมมุติที่มันมีอยู่ในโลกอยู่ในโลกตัวเรียนหนาที่เป็นสมมุ ต, ญญติบัญญัติบัญญัติที่ต่างกันแต่าาเปรลมัดเป็นเดียวกันเป็นความไม่โกรธเป็นอนเดียว ก, นวกันความโกรธเป็นคนละหยา บางคนก็โกรธเพราะวัตถุสิ่งของบางคนก็โกรธเพราะอารมณ์บางคนก็โกรธเพราะต้อ ง, ง โ, อ โ, อโกรธฟังหูโกรธเพตาเห็นโกรธเพราะอะไรต่างๆคนละอย่างแต่ว่าอันเดียวกันคือความโกรธเป็นสมมติทุกอยาถ้าความไม่โกรธเป็นปรมาตาเหมือนกันหมดทุกคนทาให้เราเป็นคนคนเดียวกันทําให้ทุกอย่างเป็นกันเดียวกัน แต่ถ้าเรายินดียินแล้วเราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบสิงนั้นก็เป็นคนละโลกสิ่งเราตั้งก่อกระทบกระเทือนต่อมันบอกความจริงมันบอกมันบอกหลอกเร า, เ, รา เ, หเห็นของจริงเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นกับรูปกํามนาม น, นี่ไม่ใช่เห็นท้องว่าเห็นสีเห็นลิมิตเห็นนอกจากกายนอกจากใจเราไปไม่ใช่น่นจะเป็นลิมิตในเม็ดไม่ใช่ของจริงเป็นของหลอก แม้เราจะไปเห็นสวรรค์เห็นสีเห็นแสงที่นอกตัวก็จัป็นนิมิตทางนั้นตอนนี้เห็นโลกเห็นนามเป็นปรมาภิมิตก็เป็นนิมิตของกิ่งที่สัมผัสได้นิมิตที่นอกตัวสัมผัส ไ, ได้บางคนก็เป็นได้บางคนก็เป็นไม่ได้บางบางีเราอย่าไปเชื่อนิมิตนอกตัวเราก็เคยเคยหลงม า, มากๆแต่เรื่องเกิด น, นิมิตจ้ะตอนนี้นาทายทัก รูกเกิดน no wow. ิมิตจริงแบบเหตนในมิตไม่จริงบ้างปิดบ้างล้มบ้างแต่นิมิตที่มันเป็นตัวเป็นตนนี่จริงเห็นกายเป็นกายจริงเป็นความคิดเป็นความคิดจริงเรื่องเกี่ยวข้องกับกายก็ถกต่อเกี่ยวข้องกับจิตใจก็ถกต่อใช่นิมิตเป็นประโยชน์เป็นในมิตที่ลองรับเ่อเราเดินไต่สะพานมีล็อกไม่ราวสะพานจับเราก็ไม่เหียวขาดที่จะหลดนลงไปในน้ำ เราเห็นลูกลูกมันบอกหรอกว่ามันคกลือวันเที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นโชค ย, ยังไงไม่ใช่ตัวตนเนี่มันบอกหมดมันเปิดเผยลู่พบลู่ทวดลู่จกลู่พบลู่ทวนสิ่งไหนที่ปทปๆๆททเป็นเรื่องลูกลูกหมดไม่มีตรงไหนปิดฝังฝาสิ่งไหนที่เป็น è, สมมติบอกหมดสิ่งไหนที่เป็นบัญญัติสิ่งไหนที่เป็นประมาทบอกหม ด, มรหมดเราก็เลือกได้เลย สมมติก็ใช่สมมติตามสมมติเั็นแบบจริแบบสมมติแต่เราไม่ได้ทิ้งไม่อะไรทิ้งไม่อะไร้งสมมติเราไีหน้าที่ก็าใช้สมมติได้เป็นประโยชน์แต่นี่คามิก็เห็น อ, า, อาการต่งางๆวัตถุอากาศกายก็เป็นวัตถุนั่นแหลแล้วอาการของกายก็มีเยอะ วัตถุตั้งโลกก็จะไป็นเลยวัตถุมีพื้นดินมีป่าไม้มีท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ก็เป็นวัตถุอยู่ในโลกแสงอาทิตย์ก็เกิดความโลอนและองค์ผลไม่หมาะกาันเป็นวัตถุอากาศตาเราก็ต้องเห็นมีวิญญาณทําให้เกิดการเห็นเป็นวัตถุอะไรเมื่อเห็นแล้วมันมีอากาศเมื่อมีอาการเราไม่มีสติเราไม่รู้สมวัดควาเข้มแข็งแท้ความางลงก็เข้าไปซ่อนไป แต่ถ้าเราเห็นแก่มันก็ไม่เมตตาจบแค่นั้นใช่ตาใช่หูใช่จมูกใช่เลี้ยใช่ตาใช่ใจแต่ถ้าเราไม่โลภมันก็ใช่เราเราใช่ความคิดหรือว่าความคิดมันใช่เราเราใช่ตาหรือว่าตามันใช่เราตามันเป็นใหญ่ยิ่งหรือถ้ามันเป็นใหญ่แล้วมันก็บังคับเรแต่วันนี้เรามาสร้างสติให้มันเป็นใหญ่เรียกว่าสติอินทรีย์ ถ้ามีสติอินทรีย์เป็นใหญ่แล้วอาณาจันาทั้งหลายสํารวมลงไม่ต้องไปหลักหูหลักตามันจะสํารวมลงเองถ้าเรามีสติเพราะสตินั้นเป็นอินทรีย์ตัวใหญ่เรียกว่าสติอินทรีย์แต่ว่าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่แต่ว่าตามันก็เป็นใหญ่จะมาหูไปดูมันก็ใช่ไหมลนะ่ะแต่ว่าถ้ามันมีสติมันก็ใหญ่ไปเถื่อนนะเพราะพรเจ้าเที่ยวเที่ยวนั้น เอาสัตว์อกแค่ไหนมาอยู่ด้วยกันมีตาเหมือนงูหัวเหมือนนกจมูกเหมือนสุนัขป่ากายเหมือนสุนัขบ้านเล่นเหมือนจระเข้ใจเหมือนลิงพระเจ้าเปรียบเทียบเอาสัตว์อกแคน่นหนมาผูก ด, ด้วยกันถ้าต่างฝ่ายก็จะต่างฝ่ายคนละตางงูก็จะเข้าจองถั่ สุนับบ้านก็จะวิ่งข้าแดนบ้านสุนัขป่าก็จะวิ่งเข้าป่าเลงก็จะขึ้นต้นมาเจ้าระเชก็จะลงน้ำเลี้ยมันจ้าระเชเจ้าระเชกจะลงน้ำจะเปรียบใจเนี่ยมันเลีงเลงก็ขึ้นต้นมามันจบไม่เสร็จไม่เคยเห็นเลียงนั่งอยู่ตรงนี้จิดใจของคนงก็แบบว่าแต่ถ้าเราไม่ไม่เสติกไม่รู้เท่าทันมันก็เกิดจับเกิดจับที่ <S <S ยิบ เกิดแล้วนี่เกิล้วั่ต่อไปเรยเรียกว่าอาการเกิดดับของของลูกนางถ้าอาการกระดับของนางมลูกจบกันทีถ้าอาการเกิดดับของลูกสาวเกิดเก่งเท่าไรก็เป็นทุกข์ลำบกเกิดความรักก็เป็นทุกข์แบบของมรักเกิดความชังก็เป็นทุกข์แบบความชังเกิดความวิตกกังวลก็เป็นทุกข์แบบความวิตกกังวลเกิดดีใจเสียใจเป็นทุกข์แบบดีใจเสียใจไม่ใช่ดีจัก การดีใจนี้ไม่เป็นธรรมแต่ว่าใจดีนี่เป็นธรรมการดีใจจะไม่เป็นธรรมได้ห่าเขาก็ดีจะได้เปรียบเขาก็ดีจะไม่เป็นธรรมแต่ว่าถ้าใจดีเนี่ยเป็นธรรมมันทําชั่วไม่เป็ถ้าใจดีมันทําชั่วไม่เป็นตอนนี้เราจึงว่าจุดสัให้มันเห็นอย่าให้มันเป็นใหญ่เพราะมีสติเป็นใหญ่ ม่ให้ตาเป็นใช่ตาจับตามาใช้ต า, ตาหัวจะบหูเรียงกายใจเป็นขันเป็นของที่อยู่ในขันสติเป็นเจ้าของขันจับไปใช้ให้สําเร็จประโยชน์สําเร็จประโยชน์เป็นปัญญาสําเร็จประโยชน์ไม่ใช่ตาเราจะเกิดโทษเกิดเพี้ยเกิดไปเราเคยเคยหลงเพราะตาเราเคยหลงเพราะหูเราเคยหลงเพราะศีรเราเคยหลงเพราะรถ เราเคยหลงพราสัมผัสเสียผู้เสียผล ม, มากเลยวันนี่ถ้าเรามีสติจะํากับจะกำกับจะดูแลอย่างถูกต้องแม้เขาดา่าไอหมานเนี่ยไอหมาถ้าเขาดา่าสมมติเราเขาด่าว่าเราเป็นหมาแล้วคนกินมันเป็นจริงไหมถ้าเราจะดูให้ดีๆเนี่ยมันไม่ถูกต้องถ้าเขาังด่าอีกมันก็ใช่ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ไเป็นหมาเขาคนที่ด่าจะได้ว่ามันหลง คนที่โบราณเชื่อถอเนี่ยนถ้าเราไม่รู้ก็รับผานคิดด้คิดไม่ได้ทันคีไปสูกต่องพอที่จะมาเป็นปัญหาพอที่จะข้าเข้าข้างอ่าอารมณ์ที่เป็นบวกเป็นลบแต่ไม่อยูดเหนืออารมณ์มัต้องอยู่เหนืออารมณ์เนาะทหน่อยอย้ายมันเข้าถึงตัวได้ ง, ง่ายจนเกินไปให้อยู่เหนือเะเราอยู่นั่งบนนั่งอยู่บนฉลาก เรามองมไปท้งหลังเห็นหมดเห็นมันแหละมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ใจของเรามันสูงสูงขึ้นมาปกเกล็ดไม่มีอะไรทับรงได้จิตใจที่ยกขึ้นสูงเหนืออารมณ์เนี่ยท่านเรียกว่านุ๊กนุษย์เนี่เป็นพระได้จิตโสมนุษย์สัติลาพเกิเกิดเป็นนุษย์เป็นราภประเสริฐ่้างไหม จะให้โกรธเหงยาดมากยาดเตมือใช้ไปทุ่มเหงยาดมันไม่ง่ายเลยความโกรธเพราะมันไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่โกรธเองนะไม่อ่า ย, ายลาดลืน่นนี่นี่เราใส่สมศรัทแต่โกรธมันตวดรักด่วนปฏิเสธเตมีความเป็นกลางนะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราใจสงเหมือนอาจารย์ตุลธาตุเหมือนหนึ่งโยมเมดีที่เววผล ถ้าใจต่างเป็นได้แต่เปียงคนคนนี่มันต่างๆอะไรทับถงได้ไะโปลเปกันก้มไล่ก้มดีโผโ่แแต่มนุษย์จังไม่เป็นกระพาะจขึ้นมาเลือด เ, เลือดจัดเลือดยับยั้งชั่งใจไม่โหมขนพันแร่ไม่วู้วายดูหน้าดูหลังวางตัวอะไรนี่มันบัญญัติแต่ความแตกทํามาก่อน สิ่งไหมไม่ถูกต้องคืองไหนเป็นความถูกต้องคืองไหนชอบเขาเลือกได้วาชนาเลือกได้เลือกใช่ชีวิตได้เลือกเอาสิ่งที่ถูกที่ชอบได้ไม่โผ่่ชีวิตเรานี่เรียกว่าสร้างบุญวาชนาวาชนะไมแข่งขันกันได้ค <c oughs> นทั้งหลายเขาว่าวาชนาในแข่งขันกันไม่ได้แต่เราก็ว่าแข่งกันได้ ทำไมแข่งอะไเราเลือกเขาเราเมตตาเรามรเรามตไพรเรามีสติเราเมตตัญญาเลือกในตัวเนี่ยในคนมันปนเปนก่ะถ้าว่าคนฟังดูก็หลายอย่างความร้ายควาดีโผโ่แผลความเดือดพลอยเราจะอยู่ตรงนั้นไม่ได้เราเลือกเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวให้มันสูงัว่าเขาเอี่ยเหมือนหนึ่งยุงวีดีที่เวทคนถ้าใจตัดเป็นได้แต่เดียดพลอย ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเลือกพนุษย์ผู้พูดผิดผู้พูดถูกทําถูกทุกเวลาเปลงเวดาเทวรัตน์ดสังต์จคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงเรียบยกใจตนเรียบฝนฝอยให้ใจสงเสียได้ความตัวตาอย่าสงหมอยที่เกิดมาอย่างโง่เลยเลือกนะีวิตพนุษ จะไปสุขทำไมจะไปทุกข์ทำไมเราไม่มีลบสุดโปรยแล้ววงง่ายหยุดได้เย็นไดนะ้เอาแต่ส่วนที่มันเป็นไปเลือกต่อช่วยกันบากบอกกันบากทําทให้กันดูบักทําให้เย็นลงไดยบักทำก็ตื่นให้เย็นลงบักเลยช่วยคนที่ไม่ทุกให้เขาหมดทุกข์เต้องมาช่วยกันตรงนี้อรับางทีเราจะแข่งขันกั น, นโกะพราะคนหนึ่งโกะ มาล้วเพราว่าเกิดกระเรแล้วก็โกรธสมมติคนโกรธกร่อนมาว่าคนที่ยงไม่โกรธคนโกรธที่หลังเป็นทุกขสองเท่าคนโกรธก่อนบาปเท่าเดียวคนโกรธที่หลังบาปสองต่อเพราะมันเป็นโง่กับเขาเคยนะเราอยู่ดีๆเป็นคนมาว่าเราเท่าแล้วเราโกรธเราบากโกรธเขาสองต่อแล้วรููกของไม่ดีเดี๋ยวก็าไปถืสาหลายเรื่องก็ใช่ไหมไดกเลือกเอาไว้ ยัดจ้างจ้างกิจอย่าพูดว่าเวลาเขากําลังโทโซโมโหกําลังดกําลาเราลบฝันอย่าพูดในเวลาไม่เจะโกรธไม่พูดในเวลาโกรธมันก็ค่อยเย็นดออย่ารีบแต่บางคนนีบรีบเวลาโกรธรีบไปไหนรีบไปด่าทำไมจึงรีบเพราะมันจะหายโกรธเพรจะไม่ได้ด่ารีบ หยุดว่าถึงหยุดว่าหยุดว่า ห, หยุดว่าอยเง้ยหาเ้ายจอออย่าี้ยมันจะเย็นเนี่ยตลสร้างบารมีคราวนี้เราอดทนก็ได้บันตีอะไรมีลังมีแ่ะ้าเต้นแฉะ้าเต้นบมีนี่ก็ช่วยบางทีก็เกิดเหตตาคุนาเกิดเข็นโดเข็ใจเกิดความไม่ละไปเกิดสัจจะเกิดอธิษฐานเกิดปัญญาขึ้นมาในขณะที่มัโก เห็นความโกรธมันเป็นตัญญ า, าแล้วก็โกใจสถานการณ์ที่เราคนโกรธเราให้โกรธโกรธใจะนะอลองลองคิดดูสิคนที่จะโกรธเราให้โกรธตอนนั้นแหละชีวิตที่ว่วาเราไม่มาตอนเรามาโกรธไที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมาฝึกสติอยแบบ น, น, นี้โลดเท่าโูด ท, น ท, นทนาาาาันลูดอาการต่างๆวัตถูอาการต่างๆมันเต็มโลก คนเราจะเริ่มปฏิเสธในสติรู้สตัวสติรู้สติจะช่วยยกออกเป็นพดทธะไทยาของรู้สกตัวของคอะไรคนมาคันเป็นตัวไทยบาปอุปสงคขึ้นสู่ความเป็นผู้มีจิตใจเดียนะเป็นบุญช่วยเราอนะความรู้สกตัวแต่เราต้องช่วยควรู้สึกตัวให้โอกาสของมรู้สึกตัว ให้เวทีของลูกศิษย์มาคลองกายมาคลองใจเร า, าเปิดประตูรับอยากเป็นผู้เปิดประตูวิธีใดที่จะให้มีของลูกสิษย์เราเปิดประตูเราสร้างให้โอกาสอย่าเอากายเอาใจเป็นวัสดุอุกอปกรณ์อิจฉาหลอกตั้งตนี่ต่อไปรอดลยจริงเมจิมัตรผลในพันบุญกุศลเมจิหาได้ในกายของก้อนศอกยาวาา่าชีวิตที่เราเป็น ให้ลูกสืปตาได้ไม่วิญญาณภาพลูกอะไรได้พราะมันมีลูกไป่นางมันคิดเป็นอยากไปห้ามคิดแต่เราเห็นมันคิดนะอะเวลไรมันคิดเรารู้ความคิดเนี่ยที่มันบางทีไปคิดอดีที่ล้มไปแล้วกิจกรรเราก็เที่ยงไม่มาถึงไม่ก็ไม่ประโยชน์อแต่เราเนี่ยมาสร้างปัจจุบันปัจจุบันทนั้นที่จะได้คิดอดีตอะไรก็ได้ เราจะมทาทำปัจจุบันถ้าจะคิดคิดลู่สุดตัคิดลู่สุดตัวคิดทางอดีตคิดอะไรนะคนเดีวอะไรนก้นี้มีในรัชนี้มี้นี้มีวันผูงนี้มีวันนี้วันที่กวันที่มีไหมาามีผูนี้มีใครเห็นตรงนี้นเห็นเราเห็นมือ โอ้ น, นี่เราเห็นไหมเราเห็นเราเห็นตำอะไรได้ เ, เ, เ, เ, เราเห็นเดี๋ยวนี้อะไรเห็นรเราเห็นเดี๋ยวนี้คือของเก่งอดีตนี่ไหมเมื่อวานนีเห็นไหมทำอะไรได้เมืมม่อวานมีไหมเมื่อวานวันที่ห้ามีไหมเราทำอะไรได้วันที่เก็ดมีไห ม, มแต่เราทำไมถ้าเราทําได้คือปัจจุบัน อเอากรรมัวต่อเลืสวเปลี่ยนไล่เป็นดีเอกเปลี่ยนเดนแต่ทำดีก็ทาตรงนี้นะไปคิดเหลวไหลกันนะบางทีอาศความคิดกะพื่อือจะทําไว้ก็ใช่ความคิดบางอย่างไม่จาเป็นต้องใช้ความคิดคามคิดใ น, ะนใช่ได้เฉพาะเรื่องนะแต่ฉาควาตอบจากควคิดกะพือระเพือยมันไม่ได้ไม่ถูกต้องเรียกเรื่องคนทีนเจ๋งในความคิดกนันเขาข้อในตัวอาการ การที่หาคําตอบจากคนคิดแอ้วนี่มันไม่ใช่บางอย่างต้องทำไม่ต้องใช่สมองไม่ต้องใช่ความคิดทาก็ต้องมีการกระทําจริงๆอะไรอะ้รก็เอาไว้ทั้งหมดเสมอใช่กเลยเจริญในคนคิดการกระทําตัวนี้เนาะตอนเรามาหัดกระทำอย่าไปคิดอะไรไ ม, มาอย่างคนหมอทํางานแล้ววัเนี้งานไม่เสร็จ ทำงาอนอยู่ที่บ้านเอ้ยฉันทํางานไม่เสร็จฉันทํางานไม่เสร็จมีประโยชน์ไหมนะทำงานด้วยดิบชากแล้วกลับมาถึงบ้านฉันทํางานไม่เสร็จฉันทําง า, านไม่เสร็จแต่ต้องคิดที่จะต้องอตัอง้งใจใส่ใชจชิ้นล้วมันทําไได้สิ่งไหนที่ทําได้คิดแต่มาแบบงนี่นมหมดครับหลนงพ่อพระเจ้าบอกวันนี้จะไปสอนใครหน อ, อคิดถ่า เรียกว่าอย่าเมื่อตรงนี้จะไปสอนเศรษฐีมินช้าทิฏฐนะิตามไปสอนพระเจ้าไปมินทบันไปธรรมากเศรษฐี <c oughs> ต่อใจโอกาสเข้าไปเศรษฐีก็ขวดหน้าบ้านเลยพระเจ้าก็วุว่นบ้านยืนอยู่หน้าบ้านเศรษฐีก็เรียกมาบอกไปไปไ ป, ไปหน้าไปหน้า พระเจ้าไม่ฟังอะไปไปทำไมพระเจ้ากไปที่นี่เขาไม่ใส่หรอเขาไม่ให้ไปไปพระเ้าก็ไม่ไปฝังศีรษะเสธีก็ดาเลยเเป็นมันไหาขอแต่ข้าวเขากินไม่ต้าให้กินแล้วเรีไม่ถ้าเป็นเราจะทำงานพระเจ้าก็ดูความ เราก็ทำนา เ, าเหมือนกันเาสติก็ยึงโกรธ่มีนาที่ไหนเห็นแต่โอมห้อดินถอเข่าอเขาเไม่นาที่ไหนไม่หัวไม่ป่วยนนที่ไหนกราเราก็มีอัอศสัิฐาเรามีควคนเชื่อว่าทปฏิบัดิตัวับตัวเหมือนหน้านาของเราไม้ขาดไม้ไผ่ไมเข้าปูกข้าวปุก ข, ของเราคือสติ ธาตุไข้ตองเราที่สมาธิความเคียงที่เราก็ยามทำคงดีเหอน้านเป็นาถอยเลดเวลาเรากล้าทำคงดีเรากล้ารับความปวเหมือนกันในหน้าฝนเรามีนาในหน้าฝนมี้าปมมาตุนเราด้วยจักไขหน้าเข้าไข้หน้าออกด้วยจับตัวด้วยจัวางเราก็ได้ผลคือความไม่เกิดไม่แฉ่ไม่เจ็บไม่ตาย ไม่เหมือนข้าวของเศรษฐีเศรษฐีทำงานได้ข้ า, าวจริงๆยั่งแก่ยังเก็บยดอากาศเศรษฐีหวาไม่กวดอะไรอะไรผููรียนไะวยเลยสิไหนนางูอศรัทธาก่อนเชื่อทำดีๆทำชั่วชั่วเราเชื่อมากนเศรษความภาคเปียนที่เราจะทําคนดีเหมือนหน้าคนตอนมีเมื่อมาเรา้องเป็หน้าฝน เรามีสติก็นคนหนักแน่ไม่วางตุระทาความดีเหมือนกับชาดิกับไทยเรามีสติเป็นข้าวโคกลงไปในกวามเคียงของเข้าวโขเราได้ผลก็สาธเป็นมาเป็นผลไม่เกิดไม่แก่ไม่เ็บอะไรต่างเศรษฐีวาไม่กด ไ, ไ, ไ, ไ, ไปอุ้มบาตรับบาดรพเจ้าขึ้นไปคนมากไปไประเทศให้ลูกให้เมียเขงเจ้าประเทศเขาด่างแท้ทําไมเป็นสร้างสถาัตย์ พวกเราเนี่ยขนาดโผเมียกันเน่พูดกันไม่น้อยก็โวกระดับขนาดพระพุจะเจาเศรษฐีก็ยังไม่ปวดองคุณมารจาบตาไล่ฟัน อ, อยู่ยังคิดจะช่วยองครณมาเราจาเป็นต้องเอาอย่างบคคนีนะพอะดีวันนีเราทำอะไ ร, รนิดห่ยเราเครื่องหูฉันตานะเพื่อนร่วมง า, านพวกดูหน้าก่อไปกันใหญ่ไม่ต้องนะครับเย็นเย็นช่วยกันให้เย็ จะช่วยกันให้เรคนมีสมรรถะสร้างบัณฑที่ทำให้เกิดความเเกิดความเย็เมตไม่ใช่จะเกิดจากความแสยะความมัดระวัเอาผิดเอโทนโอ้จะอยู่ย่งไงโลกยิ่งพวกเราคนหมอทั้งหลายไาทางานโลกนทีเพื่อนร่วมงานรถ้าสทรศัพงสารบงคนคนหนักคนทางานหนักเมื่อแกใจแล้วเกิดจังหวดคนอื่นี เราก็ลูล่หลกเป็นติดลู่หลีเป็นฮะคนไหนเที่อะไรทําไม่ดีเราต้องลูกอยากไปถูกลูกล่ก้องเขาปอเย็นคขาอะไรตัให้เขาเย็นนจะเป็นบุญทําให้คนทุกข์หายทุกข์ในเป็นบุญไม่ต้องไปทอดกระถ็นตาฝาที่ไหนถ้าให้คนมีทุกข์หายทุกข์ทํา้คนที่ร้องให้หายหลงทําอะไรคนที่โกรธหายโกนี่คือทําบุญมาทําบุญต่อไปสามีปัญญาทําบุญต่อไปเพื่อนทําบุญต่อไป ตาดของบุญมอยู่ทุกคนทุกแห่งนะการปฏิบัติธรรมเป็นะแล้วนี่มันขาดแกลบุญไม่อุทิศให้เขาไม่ให้เกิดมีความสุขจะเอานักต่อาเปรียบใส่ท้าเขาหราอว่ามันก็เกิดขึ้นแต่ต้องคนมีสติว่าจะเกิดบรรยากาศที่ทางเย้จะว่ามาไล่เปี่ยนเป็นดีอที่นี่จึงเชื่อสุ ข, ขตะโกเป็นผู้ไปดีมา รับรองไม่เป็นพิศเป็นใางเรไฟดีมาดีตั้งใจไว้ถูกแล้วก็พหอิจาให้บาปก็ได้สอนได้กสอนสอนได้ก็ไม่เป็นไร่อเทก็มันเก็เดเหตุบาทีเราทำดีก็คาคัดอิจาไม่เป็นไรฮะทำใจไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วไม่เปลี่ยนแปลงกันอยู่ของที่ตั้งไว้ดีไม่เปลี่ยนได้ที่ได้ทชีวิตจิตใจของเราเาก็ได้ที่แล ที่อยู่ของจิตเป็นร่างกายร่างกไม่เป็นวัตถุเป็นสิ่เป็นหนึ่งเดียวในชีวิตของเรามาช่วยตร้างความปริบตสมครนะก<ม>็ได้จักจะจดมดลเดนว่านชั้ห้าลูกให้จารเ์สุทัดจักรดุเชให้ไปไปเราสาธุพระคงค์